ธรรมะจริงๆนะเป็นของกลางนะไม่ใช่ของชาติไหนชาติไหนธรรมะก็ไม่ใช่ของคนไทยธรรมะเป็นของชาวพุทธชาวพุทธอยู่ที่ไหนถ้าใจเราเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็เป็นชาวพุทธที่นั้นไม่เป็นคนชาติไหนก็ไม่สำคัญหรอกนี่ถ้าเป็นคนไทยแต่ใจเนี่ยไม่เคยสนใจเลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นยังไง พระพุทธเจ้ามีไม่มีก็ไม่สนใจนะทำอะไรท่านมีพฤติกรรมมีประวัติยังไงก็ไม่รู้ธรรมะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้พระสงฆ์ก็เห็นเดินไปเดินมาถ้าอย่างนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นชาวพุทธก็เป็นคนไทยเฉยๆจะเป็นชาวพุทธก็ต้องรู้จักพระรัตนตรยัยรู้จักพระไัตรัยรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรา เป็นแต่ปากเฉยๆก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ชาพุทธจริงๆเรามีหน้าที่เรารู้เรามีหน้าที่อะไรหน้าที่ของเราคือศึกษาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาแบบหนึ่งเท่านั้นแลการศึกษามี2แบบนะศึกษาในภาคทฤษฎีเรียกศึกษาปริยัตศึกษาปริยัตเพื่อให้รู้ว่าวิธีปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้นทํำยังไง เมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ศึกษาภ า, าคปฏิบัติลงมือปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเรียกรู้รอบรู้ในกองทุกสิ่งที่เรียกว่าทุ ก, ก็คือรูปธรรมนามธรมรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี้แลหละเราเจริญปัญญาก็คือมาเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมนี้ เ, นเห็นความจริงจิตหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรม จิตคืนตัวทุกข์ให้โลกจิตก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วนอยู่ที่เราลงมือปฏิบัตินะรู้วิธีปฏิบัติจากการฟังครูบาอาจารย์จากการอ่านหนังสือถัดจากนั้นลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติให้ถูกเมื่อทำถูกแล้วทำให้มากพอมีสองเงื่อนไขทำให้ถูกก็ะทำให้มากเมื่อทำถูกนะแล้วก็ทำมากพอเรวก็จะเห็นผล เห็นผลแน่ใจมันจะพ้นจากความทุกข์ไปจนะพ้นคืนกายคืนใจให้โลกไม่มีเพลงอยู่ได้่อยๆปิดเสียงก่อนได้ไหมหรื อ, อยังปิดไม่ลงปิดไม่ลงไม่เป็นไรถือเป็นแบ็กกราวเวลาฟังธรรมนะมีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ย ก็แสธรรมะมันจะขาดขาดช่วงอัตโนมัติเลยถึงครูบาอาจารย์เวลาท่านแสดงธรรมก็เป็นอย่างเดียวกันนี้จะไม่มีโพอยู่ว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรไม่มีหรอกได้มาสำรวจใจของพวกเราที่ฟังใจของเราควรฟังธรรมะระดับไหนนะธรรมะที่ท่านถ่ายทอดคือจะเป็นธรรมะระดับนั้นเรียกว่าธรรมะอย่างนี้ถ่ายทอดจากจิตสู่จิตจากจิตของอาจารย์นะไปสู่จิตใจของลูกศิษย์ ในจิตใจรู้สิทธิมีคุณภาพแค่ไหนนะอาจารย์ก็ถ่ายทอดได้แค่นั้นอาจารย์เก่งแค่ไหนก็ตามนะถ่ายทอดไม่ได้หรอกถ้าใจของรู้สิทธิ์ไม่พร้อมนั่นเราสร้างเงื่อนไขให้ใจของเราเป็นสงบพอสมควรนะไม่วอกแวกไม่รบกวนซึ่งกันและกันใาจารเราสงบใจเราก็มีคุณภาพพอที่จะฟังธรรมะที่ประณีตธรรมะก็จะประณีต ถ้าใจขงเราฟุง้งซ่านทนำะรรมาก็กระโดกกระเดกไม่ค่อยน่าฟังจับอะไรไม่ค่อยติดนะพ่อเคยเห็นครั้งแรกเลยแต่เดิมไม่เข้าใจหลักการ น, นี้หรอกเห็นครั้งแรกคือหลวงตามหาบัวไปเทศงานศพหลวงพูดุลนเทศงานศพหลวงปุดุ ล, งงดลพอท่านขึ้นเทศท่นนะคนก็ถ่ายรูปเปนใหญ่เลยท่านก็หยุดเราก็นึกว่าท่านใจดีหยุดให้ถ่ายรูปพอท่านหยุดเขาก็ถ่ายรูปเป็นที่พอใจแล้วท่านเทศต่อ เขาก็ลุกขึ้นถ่ายอีกคงอยากถ่ายรูปตอนท่านอาปากนะลูกขึ้นถ่ายท่านก็หยุดอีกนะพอถึงครั้งที่สามโดนท่านวากเลยผมจะโลภมากไปถึงไหนนี่ธรรมะดับไปสามกันละตอนนั้นไม่เข้าใจท่านเหมือนกั น, นมาพอนาแนละ้วก็จะเข้าใจหลักของการถ่ายทอดธรรมะเนะี่ยถ่ายทอดจากจิตจิตนะจากจิตอาจารย์ไปสู่จิตของลูกศิษย์ งั้เรามีใจที่สงบนะมีใจที่เปิดกว้างบางคนเนี่ยใจแคบมาด้วยความจองหองอวดดีกูแน่กูหนึ่งอย่างนั้นอาจารย์กลัวมากเลยทุนธรรมะหนี้หมดอย่ว่าแต่ระดับหลวงพ่อเลยนะครั้งหนึ่งหลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพลนนะหลวงปู่ขาวนะั่นอยู่ดีๆนะอยู่ในวัดเฉยๆได้แหละอยู่ๆท่านก็ลุกขึ้นเก็บโกรธเก็บบาทรอะไรของท่านนะเก็บจีวร พรลูกสิษยถามท่านจะไปไหนบอกเราจะต้องหนีแนละวธรรมะเราสู้เขาไม่ได้เราจะต้องหนีท่านก็หนีออกจากวัดไปซ่อนสักพักเดียวรถทัวเข้าพวกอรหันทัวนั่นแหละที่หลวงพ่อบอกเราอย่าไปทําตัวอย่างนะั้นพวกถัววัดมาถึงก็เอะอะบวยไบมาเลยนะตอนหลังท่านถึงบอกว่าธรรมะท่านหนีไปหมดแล้วท่านพูดกับเขาไม่ได้หรอกธรรมะหายไปหมด เพะพวกเราเวลาฟังธรรมนะทำใจสงบหน่อยสำรวจหน่อยเวลาฟังธรรมเป็นเวลาที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราโดยร่างกายนั้นท่านดับขันปรินิพานไปแล้วท่านให้ธรรมะนี้แหละเป็นศาสดาแทนตัวท่านงั้นในเวลาของการฟังธรรมคือเวลาเข้าเฝ้าพระศาสดาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าอยู่เราถ้ามีใจเคารพอ่อนโยนต่อธรรมะธรรมะก็จะมาสู่ใจของเรา การจะมาศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะศึกษาจนใจของเราเข้าใจธรรมะไม่ใช่สมองเข้าใจนั้นการเรียนภาคปริยัติเนี่ยจะทำให้สมองเราเข้าใจแต่การเรียนภาคปฏิบัติเนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยเข้าใจธรรมะลพาพังสมองเข้าใจธรรมะนะพอแก่ลงไปหน่อยสมองก็เสื่อมละบางคนเสื่อมเร็วยังไม่แก่ก็เสื่อมหมดแล้วลืมหมดแล้วที่เรียนมา อย่างพวกพระไปสอบนักธรรมจําได้ตอนสอบนะสอบเสร็จก็ลืมหมดแล้วละ่ะส่วนใหญ่คืออาจารย์ไปยิ่งนั้นเรียนธรรมะด้วยสมองนะั่งเรียนด้วยความจำอะไรอย่างนี้ได้ได้ความเข้าใจเบื้องต้นเท่านั้นเดียวก็ลืมน้องเรียนด้วยใจจริงๆนใจเราเข้าใจธรรมะด้วยปัญญาลึกซึ้งแล้วสิ่งนี้ติดตัวเราไปถึงเราตายนะสิ่งนี้ไม่หายไป ข้ามผ่ามชาติไปชาติหน้าเราเกิดมาใหม่เราได้ยินธรรมานิดเดียวในใจมันจะปิ้งขึ้นมาเลยเข้าใจอย่างรวดเร็วเลยนั้นไม่หายแฟไม่เหมือนความจําเรียนจากภาคปริญญาเนียนทฤษฎีเดี๋ยวก็ลืมแล้วเราต้องยกระดับการเรียนมาถึงการเรียนระดับของจิตให้ได้ให้จิตได้เรียนรู้มีปัญญาอย่างแท้จริงเกิดขึ้นมาการจะทําให้จิตมีปัญญานะไม่ใช่สั่งจิตว่าจงมีปัญญาจิตมันไม่เชื่อหรอก จิตเป็นธรรมชาติที่สั่งมันไม่ได้เราจะทำให้จิตมีปัญญาได้นะมีวิวิธีเดียวือพาจิตให้เรียนรู้ความจริงความจริงอยู่ที่ไหนความจริงอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละท่านสอนบอกว่าทุกนะให้รู้อะไรเรียกว่าทุกบอกสังขิตเต น, นะปัญจุ ป, ปาทานะขันธาทุกขาโดยสรุปโดยยอนะ่อขันทั้งหนี่คือตัวทุก สิ่งที่เรียกว่าขันทั้ง5นะ้าในยอลงมาก็คือรูปธรรมกับนามธรรมสองอย่างนี้เองที่มาประกอบกันเป็นตัวเราเราจะมาเรียนรู้รูปธรรมนามธรรมของตัวเองนี่แหละนะจนวันหนึ่งเราเข้าใจความเป็นจริงของรูปธรรมนามธรรมว่ารูปธรรมนามธรรมนั้นจริงๆเป็นตัวทุกข์พอเราเห็นอย่างนี้นะใจจะคืนรูปธรรมนามธรรมให้โลกมันจะคืนรูปธรรมก่อนเวลาที่เราภาวนานะบนรรลุพระอนาคามีเนะี่ยจิตจะคืนรูปธรรมทั้งหลายให้โลกไม่ยึดอีกแล้ว ร่างกายจะแก่ก็ส่วนของร่างกายไม่ใช่เราแก่ไม่ทุกข์เพราะความแก่ร่างกายจะเจ็บก็ส่วนของร่างกายมันเจ็บเราไม่ทุกข์เพราะความเจ็บร่างกายตายก็เป็นส่วนของรูปธรรมมันตายร่างกายมันตายเจตใจเราอย่าไม่ทุกข์ไปด้วยเรียกว่าเราไม่ทุกข์เพราะกายอีกต่อไปละกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่ยึดถือกายล้ไม่ยึดถือกายได้เพราะเราเห็นความจริงของกายอย่างตรงแท้ละ ถ้าเราเห็นความจริงอย่างทองแท้นะ่จะหมดความยึดถือถ้าไม่เห็นความจริงอย่างทองแท้นะไปน้อมน้อมใจเชื่อนะมันยังยึดอยู่มันไม่เลิกยึดหรอกย้ันการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคือการพาจิตให้มาเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมาให้เห็นความจริงของกายของใจนี่แหละถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจเบื้องต้นจะเห็นก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุ ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธนะาตุเหล่านี้เป็นของโลกเราไปยืมโลกมาอยู่ชั่วครั้งชว่วคราวนะอย่างเรากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายคืนไปหายใจเข้าหายใจออกนะคืนไปจนกระทั่งวันหนึ่งร่างกายนี้ตายแล้วก็คืนร่างกายให้โลกิดมันเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่เรายืมโลกมาใช้ชว่วครั้งชว่วคราวนี้ยปัญญาอย่างนี้นะเห็นร่างกายไม่ใช่เรา จิตใจนี้ก็ทางานได้เองนี่เป็นปัญญาเบื้องต้นนะจิตใจมันทำงานได้เองมันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันจะดีหรือมันจะชั่วเราสั่งไม่ได้เนี่ยเราพามันดูของจริงจนกระทั่งมันเห็นเลยว่าจิตใจนี้จะสุขจะทุกข์หรือจะดีจะชั่วเราสั่งมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเราสั่งมันไม่ได้วันใดที่เราภาวนาจนจิตมันเห็นความจริง เมื่อร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุที่เรายืมมาใช้ชั่วคราวจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้จริงวันที่เราเห็นความจริงแลว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะวันนั้นแหละคือวันที่เราจะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันอย่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่เกิดพระโสดาบันองค์แรกของโลกนะ คือพระกุัญยะได้ฟังธรรมจักปภวัตนสูตรแล้บรรลุพระโสดาบันท่านมีความเห็นถูกนะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนถาวรจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวตนถาวพรพอเห็นความจริงอย่างนี้นะก็ได้พระโสดาบันภาวนาต่อไปอีกภาวนาต่อไปท่านอีกไม่กี่วันท่านก็บรรลุพระอรหันต์แล้วละ ของเราไม่รู้อีกกี่วันจะได้โสดาอย่างท่านต้องทนเอาหน่อยบารมีไม่เท่าท่านท่านสร้างบารมีมานานนะตั้งแสนกับนะเพื่อจะบรรลุองค์แรกเนี่ยของเราได้สักกับหนึ่งก็อก็ไม่รูนะ้แต่ไม่ต้องตกใจว่ามีน้อยนะเคยถามครูบาอาจารย์ที่ท่านมีฤทธิ์มากๆนะท่านบอกถ้าภาวนาเนี่ยเจดชาติได้โสดาแล้วนิดเดียวเจดชาติ บางคนเลอธิษฐานขอเกิดเป็นเมงวันเจ็ดชาตินี้สั้นนิดเดียวอย่างนั้นไม่ได้นะเกิดเป็นตัวอะไรเนละ้ววันสองวันก็ตายแล้ว<ม>เจ็ดชาตินี้ไม่ถึงเดือนเพราะฉะนั้นบรรู้อะไรไม่ได้หรอกไม่มีสติปัญญาเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจทั้งเพราะ ง, งานของเราคืออะไรงานของพวกเราชาวพุทธคือการเรียนรู้นะเรียนรู้อะไรเรียนรู้ความจริงของกายของใจ ความจริงของกายของใจคือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วถ้าเบื้องต้นเห็นน่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเนียจะเป็นผระโสดาบันไม่ใช่เราแต่อย่างยึดถืออยู่คล้ายๆรู้ว่า น, นี้เป็นของยืมโลกมาใช้แต่ไม่ยอมคืนบางครั้งเราไปยืมสมบัติชาวบ้านมานะเรารู้ว่ายืมเข้ามาอย่างเราไปยืมเงินเพื่อนมาสนแล้วเราก็มีเงินคืนแล้วเราขี้เหนียวเราไม่ยอมคืนเคยเป็นไหม ใครเคยยืมเงินชาวบ้านบ้างมีไหมคนยุคนี้ไม่เคยยืมเงินนี่ถือเป็นคนด้อยมากนะไม่มีเครดิตจะว่างนันนะอย่างยืมเงินแบงก์อะไรเงี้ยบางที่มีเงินแล้วไม่คืนมีเงินแล้วไม่ใช้คืนนะี่ลักษณะจิตใจอย่างเนี้ยพระโสดาบันกัแบบนี้ละเห็นความจริงแล้วนะว่าร่างกายนี้จิตใจนี้เป็นของยืมโลกมาใช้แต่ไม่คืนทําไมไม่คืนเพราะคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษ ก็เลยยังไม่ขืนยืมเข้ามาจริงไม่ใช่ของเราจริงแต่มันเป็นของดีก็เลยไม่ขืนการปฏิบัติธรรมในขั้นสูงขึ้นไปนะเขามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกจนกระทั่งเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษอย่างที่นึกไว้แต่แรกหรอกกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกนอกจากทุก์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปเลยกายนี้ทุกล้นล้นจิตนี้เป็นตัวทุกล้นล้วน ถ้าเมื่อไรเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะก็จะเห็นธรรมอย่างแจ่มแจ้งจิตจะหมดความยึดถือในกายในใจไม่ยึดอีกต่อไปแล้วนะจิตจะเป็นอิสระขึ้นมาสัมผัสความสุขที่พ้นจากความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายทั้งปวงความสุขนั้นคือความสุขของพระนิพพานนิพพานมีจริงๆไม่ใช่สภาวะอุดมคติลอยๆที่พระพุทธเจ้ามาหลอกเด็กพระเจ้าไม่เคยกกหก ท่านสอนเรื่องความจริงทั้งหมดเลยเพราะนิพพานมีจริงๆมายุคนี้นะจะพูดถึงนิพพานนะต้องกรมิดกระเมี้ยนพูดมากไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ห้ามพูดเรื่องนิพพานไม่ได้ห้ามเลยนะว่าห้ามปิด บ, บอกวิธีไปนิพพานไม่ใช่มีหน้าที่ต้องบอกด้วยเพราะนิพพานมีจริงๆเป็นสภาวะที่จิตใจเนี่ยหมดจากความอยากโดยสิ้นเชิงเป็นสภาวะที่จิตใจหมดความหิวโหวยโดยสิ้นเชิง เป็นสภาวะที่จิตใจหมดความปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงสภาวะที่ไม่มีความอยากอันั่นแหละคือพานิพานสภาวะที่ไม่มีความปรุงแต่งอันันแหละเรียกว่าพานิพานไม่ใช่คือจิตนะจิตเป็นคนเข้าถึงสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งนะสภาวะที่ไม่อยากแม้คือตัวนิพานจิตไม่ใช่ตัวนิพานแต่เราจะพาจิตให้เข้ามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไป จนเขาเห็นความจริงว่ากายนี้คือทุกข์ล้นลวนจิตนี้คือทุกข์ล้นวนจิตจะหมดความยึดถือในกายในใจจิตจะสัมผัสความสุขที่ไม่ยึดอะไรความสุขความสงบที่ไม่ได้ยึดอะไรสักอย่างนะนั่นคือสัมผัสพระนิพนาพานสัมผัสครั้งแรกนะแทบตายเลยสัมผัสครั้งแรกนะแทบตายเลยทำไมแทบตายมันสุขแทบตายนะมันไม่ใช่ทุกข์แทบตายในโลกนี้มีแต่ทุกข์แทบตายนะหรือทุกข์จนตายจริง แต่พระนิพพานเนี่ยเป็นสุขแทบตายเลยนสัมผัสไปบ่อยๆนะชักชินก็ไม่ตายหรอกในตำรา จ, จะบอกนะคารวาสเนี่ยถ้าม่รลุพระอรหันต์นะแจ่มแจ้งในพระนิพพานนะถ้าไม่ได้บวชวันนั้นจะตายวันนั้นเลยถ้าเกิดบรรลุตอน23ามนาฬิกานาทีทำไงยังไม่ตาย เพราะวันหนึ่งของาศาสนาพุทธเนี่ยถือพระาทิตย์ขึ้นจนพระาทิตตกนะยังไม่ตายถ้าบรรลุตอนตีห้าหนาทีอีกนาทีหนึ่งตายแล้วอย่าง้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะตำราก็ส่วนตำรานะเพราะว่าอารหัตตะมัชไม่ใช่ฆาตกรนะใช่ฆาตกรทำแล้วตายปุ๊บปั๊บไม่ใช่หรอกแต่มันสุกปางตาย สุขมหาศาลจนกระทั่งเพศของฆร า, าวาสเนี่ยไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะรองรับความสุขอย่างนี้คร า, าวาสเนี่ยคุ้นเคยกับความสุขด้วยการดูด้วยการฟังนะด้วยการคิดด้วยการริมรสด้วยการรู้สัมผัสทางกายด้วยการดมกลิ่นฆรนะ า, าวาสคุ้นเคยความสุขแบบนี้ไม่คุ้นเคยความสุขของพระนิพพานแต่เรายังไม่ต้องตกใจนะไม่ตายหรอกนะไม่ตายง่ายหรอก ครั้งหนึ่งนะมีเพื่อนหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดุลด้วยกันเขาก็ถามหลวงปู่ครับถ้าบรรลุพระอรหันต์แล้วต้องตายวันนั้นเลยหรือเปล่า mm hmm. หลวงปู่ตอบดีนะหลวงปู่บอกตำลาว่าอย่างนั้น mm hmm. ในคนนี้ก็ฉลาดมากเลแล้วที่ไม่ใช่ตำราล่ะครับถามนี้นะคาดคันท่านท่านก็อึ้งๆนะท่านคงไม่อยากเถียงกับตำลา ท่านบอกพระละหันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยไม่ได้อยู่อะไรเลยไม่ได้อยู่ตรงไหนหรอกไม่ได้อยู่ในเพศพระเพศฆราวาสอะไรหรอกนี่เพศของพระนี่มันเหมาะมันเหมาะเพศฆราวาสไม่ค่อยเหมาะหรอกกระทบกระทั่งต่อไปเพศพระอาจจะไม่เหมาะอย่างเพศฆราวาสเนี่ยเราเป็นพระลรหันอยู่ในเพศฆราวาสนะคนชอบด่าเราอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาบาับท่านเลมักคะ น, นีนิพพานไปหรือไม่กขาบวชคนแต่ก่อนไม่ค่อยด่าพระ แต่คนยุคนี้ชอบด่าพระมากเลยนะต่อไปเป็นพระบราารลุพระธรรมน์ต้องรีบนิพพานหนีไปาะมันจะได้ไม่ ด, าด่าทีนั้มันบาปมากทําบางองค์ท่านก็อยู่นะสงเคราะห์โลกท่านสอนได้ท่านก็อยู่สอนบางองค์ท่านไม่มีธุระอะไรท่านก็นิพพานไปเลยก็มีนะเราไม่ต้องตกใจนะว่าบราารลุพระธรรมน์แล้วเราจะตายเนะี่ย หลวงพ่อตอนนั้นบอกหลวงปู่เลยบอกว้ยถ้าผมบรรลุพระอรหันต์แล้วตายวันนี้ผมเอานะอืหลวงปู่มองหน้างต้องอย่างนี้ท่านก็รู้เลยไม่บรรลุหรอกะเออคิดอย่างนี้คิดถูกถ้าคิดว่าไม่กล้าปฏิบัติกลัวบรรลุพระอรหันต์เราจะตายไม่บรรลุหรอกเพราะฉะนั้หน้านที่ของเรานะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้เนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยคือความรู้ในภาคปริยัตทั้งหมดเลย ภาคทฤษฎีเรียนแล้วจำเอาไว้แล้วก็ไปรู้วิธีปฏิบัติรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรรู้ว่าเราต้องมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียนรู้แล้วจะเห็นอะไรเบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายเห็นว่ามันเป็นตัวทุกขนะ์เบื้องต้นเห็นว่าไม่เป็นเราก็ได้โสดาเบื้องปลายเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ไม่ยึดถือประลุพระหัน รู้พระอราหันต์แล้วก็จะทรงอยู่กับพันิพาณนะจิตที่บริรสุทธิ์นะทรงอยู่กับพันิพานมีความสุขที่สุดเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่น <S <S ครูคบาอาจารย์องหนึ่งเคยเล่าให้ฟังหลวงปู่สุวัตเล่าให้ฟังเอ่ยชื่อได้แล้วท่านไม่อยู่แล้วคงไม่เป็นการโฆษณาหาราบสักการะให้ท่านหรอกหลวงปู่สุวั์ตเล่าว่าตอนที่ท่านสลัดคืนจิตให้โลก คืนจิตขั้นคืนกายให้โลภคือขั้นผน่านอากาขั้นสลัดคืนจิตให้โลภเนี่ยจิตน่าดูยากกว่ากายอย่าให้เห็นว่าเป็นตัวทุกข์เนี่ยยากกว่าตัวตัวกายเจิตไม่มีแขนมีขาที่จะปวดจะเมื่อยอะไรกับใครเขาหรอกท่านบอกว่าตอนที่ท่านสลัดคืนจิตให้โรคมันถอนออกมานะกว้างทิ้งเลยเนีถอนออกมาเหมือนกับเอามือเ น, นี่ยรวบต้นหญนะ้ากระชากออกมากว้างทิ้งลงเหวไปเลยไม่หยิบขึ้นมาอีกแล้ ท่านบอกท่านมีความสุขมหาศาลเลยอยู่เกือบปีหรือปีกว่านีตรงนี้ชักจำไม่ค่อยได้แล้วมันนานละท่านเราก็ประมาณปีหนึ่งหลังจากนั้นนะจิตก็เข้าสู่เบกขาบอกเรามีความสุขมหาศาลอยู่ปีหนึ่งมีความสุขมหาศาลเลยสุขเหมือนจะตายเลยนะมีความสุขมหาศาลต่อมาใจก็คุ้นเคยกับความสุขนี้นะ ใจก็ค่อยๆไป็นอุเบกขาท่านว่างี้นะทุกวันนี้เราก็อยู่ของเราอย่างนี้แหละเราดูลงปู่ลงปู่บอกลงปู่อุเบกขาตอนนั้นหลวงพ่อบวชใหม่ๆดอกพรรษาแรกเลยหลวงปู่อุเบกขาเลยดูลงปู่มีความสุขมากกว่าเราตั้งโยอะนะเราบอกเรามีความสุขแล้วเทียบกับท่านนะท่านอุเบกขาความสุขอ น, นั้นมหาศาลกว่ากันเยอะเลย เลยรู้เลยว่าโอ้โหธรรมมาของพระเจ้านี่นะมีนำประโยชน์นําความสุขมาให้จริงๆมีประโยชน์มากเลยนะแล้วก็มีความสุขมากจริงถ้าเราได้เข้าใจธรรมมาแล้วเราได้รับประโยชน์เราได้รับความสุขประโยชน์ก็คือต่อไปนี้ชีวิตเรามั่นคงละชีวิตเราไม่ระหกระเหินต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกต่อไปแล้วมาเกิดทีไรก็มีทุกทุกทีหรอกมาเกิดทีไรก็ต้องลําบากทุกทีนะ เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้านยะชีวิตเราหกเราเหินสุดท้ายก็ทุกข์จนตายทุกลหลายเลยนะงั้นมีประโยชน์มากเลยคือไม่ต้องมาวนเวียนอย่างนี้อีกต่อไปแล้วนะตั้งใจไว้นะภาวนาแต่ถ้าเราบา ร, รมีเราเต็มนะเราหมดความยึดถือจิตได้ก็พ้นไปเลยพ้นได้บ่ๆก็ดี ชีวิตที่เหลืออยู่ก็มีความสุขเป็นชีวิตที่ได้ทำประโยชน์ต่อไปทุกคนมีสิทธินะที่จะเข้ามาสู่สภาวะอันนี้เพราะอะไรเพราะาอันแรกเราได้เกิดเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยไม่ได้บ้าบายบอดหนวกฟังธรรมะไม่ได้ข้อต่อมาเรามีศรัทธาเราสนใจที่จะฟังธรรมะข้อที่สมเราได้เข้าใกล้คนที่แสดงธรรมเรียกสัตบุรุษ ไม่ใช่สัตวะนะสัตตบุรุษสัตตบุรุษคนดีคนมีศีลมีธรรมได้เข้าใกล้นะมีศรัทธาอยากฟังธรรมได้เข้าใกล้ได้ฟังธรรมเนี่เราผ่านกระบวนการคัดสรรมันมเยอะเลยนะเป็นมนุษย์มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมีศรัทธานะอยากฟังธรรมะว่าคนมีศรัทธาแต่ไม่มีโอกาสฟังธรรมะอย่างคนจีนในเมืองจีนมีคนทั้งพันล้านนะ มีศรัทธาก็เยอะเหมือนกันนะแต่โอกาสจะมาฟังธรรมะเนี่ยมี20สิบคนเองวันนี้จากพันล้านมีมา20กว่าคนนิดเดียวเองนี่พวกเราผ่านการคัดเลือกมาแล้วนะได้ฟังธรรมะแนละ้วมีศรัทธาได้ฟังธรรมะได้เข้าใกล้ครูบาอาจารยนะ์เมื่อฟังธรรมะแล้วเหลือขั้นสุดท้ายเท่านั้นเองเอาไปปฏิบัติการปฏิบัตินะั้นก็คือเอาไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองนะ วิธีจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจก็รู้สึกตัวอย่าใจลอยถ้าใจลอยเรามีร่างกายเราลืมร่างกายเรามีจิตใจเราลืมจิตใจลืมตัวเองไปเราค่อยรู้สึกตัวเองบ่อยๆแล้วก็ดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจงั้นอย่าใจลอยก็อย่าบังคับกายบังคับใจถ้าใจลอยเนี่ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าการมสุขาริการโยกใจลอยหนีตามกิเลสไป หนีไปดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นริ้มรถรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกอะไรสนุกสนานทางใจสภาวะที่บังคับกายบังคับใจพระพุทธเจ้าเรียกว่าอัตตะกิลมฐานโยคครั้งแรกเลยที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าสุดโต่ไปสองฝั่งก็คือวันอาสานหานเองดงนั้นเรื่องการที่เราจะมาฝึกขิตฝึกใจไม่ให้สุดโต่งไปสองฝั่งนี่เป็นเรื่องแรกเลยนะที่ต้องเรียนพระพุทธเจ้าสอนอันนี้ก็คือธรรมะอันแรกที่ให้ พรปัจจวักขี่เรียนบรรพชิตทั้งหลายคือผู้ประพฤปฏิบัติธรรมทั้งหลายยาสุดตรงไปสองฝั่งนะอย่าหลงตามหลงไปดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายวิคิดแต่เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสลืมตัวเองอันนั้นเรียกว่ากามสุขานิการโยกหลงในกามสิ่งที่เรียกว่ากามไม่ใช่เซ็กซ์นะคำว่ากามนั่นก็คือกามคุณอารมณ์หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายนั่นเอง คนทั้งหลายเนี่ยสนใจแต่สิ่งเหล่านี้ลืมตัวเองขณะที่ตามองเห็นรูปลืมตัวเองขณะหูได้ยินเสียงลืมตัวเองขณะที่จมูกได้กลิ่นลืมตัวเองขณะลิ้นกระทบรสลืมตัวเองขณะที่ใจไปคิดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสอะไรก็ลืมตัวเองอีกอันนี้แหละคือสิ่งแรกที่พระเจ้าบอกว่าไม่ควรเอาสิ่งที่สองที่ไม่ควรเอาคือการทาตัวเองให้ลาบาก ทำอะไรให้ลำบากบังคับกายบังคับใจตัวเองทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติก็บังคับขึ้นมานะร่างกายก็อึอดอาดจิตใจก็อึอดอัดผิดธรรมชาติธรรมดานะงั้นเนะี่ยคือสิ่งแรกที่พวกเราต้องเรียนให้ได้สภาวะแห่งการรู้สภาวะแห่งการตื่นปลุกใจให้ตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความหลงไปคิดหลุดจากโลกของการบังคับตัวเองเพ่งกายเพ่งใจ มาอยู่ในโลกของความรู้สึกแล้วก็เห็นกายเห็นใจทํางานนี่แหละคือพิธีปฏิบัตินะต่อไปเราจะสอนรายละเอียดนะว่าทํำยังไงใจเราจะไม่หลงไปสู่ความสุดโต่งสองด้านนั้นเข้าสู่ทางสายกลางเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วเห็นกายทํางานเห็นใจทํางานก็จนเกิดความเข้าใจความจริงของกายของใจนะบรรลุมรรคผลเป็นขั้นขั้นไปแล้วพ้นทุกไปเอาตอนนี้ไปกินข้าวนะ